ท่านเคยฟังตั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มีโอกาสมาพบวันดาธนาลายในเรื่องของพระพุทธศาสนาช่วยโลกต่อไปเพราะว่าคำพังเพยปรากฏมาเสมอว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้ช่วยโลกเลย เันนยแท้ความจริงแล้วพระพุทธเจ้าช่วยอยู่ตลอดเวลาแล้ ว, ว่าบุคคลผู้รับความช่วยเหลือของพระพุทธศาสนามีบ้างหรือไม่แล้ ว, วเมื่อพิจร า, ารณากันจริงๆแล้วก็จะเห็นว่าการช่วยเหลือในทางพระพุทธศาสนาคนรับน้อยเต็มที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 เนห้างขายทองบริษัทขายเพชรของนี่ขายมีราคาสูงอย่างนี้เขาก็ไม่โฆษณาแล้วก็มนประกาศขายตามสนามหลวงแล้าหากันไม่ได้จะไปซื้อไปหาในสถานที่ใดก็ปรากฏว่าจะของนั่งเฉยๆไม่ร้องเรียกเมื่อของที่มีค่าถูกกว่าชั้นใดแล้พุทธศาสนาก็เหมือนกัน โดวยวองสมฤตทรงทันทรงทราบว่าของของพระองค์ดีดันั้นสมฤตเป็นดวงสีจึงไม่มีการ บ, างรบังคับวันนี้ก็มาพูดคุณลักษณะของคนผ่านที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าจงยาครบถ้าครบแล้วก็จะมีแต่ความเร่าร้อนจะหาความสุข ก, กายสุขใจไม่ได้ในลักษณะที่สอง <c oughs>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 รับสินที่ตันหามันได้จะได้อย่างค่ารายการยาได้เงินมาแต่ละเดือนก็ต้องทำงานตลอดเดือนลนักษณะเมื่อาการที่ท่านไปทำงานมันเป็นอาการของความสุขหรือว่าเป็นอาการของความทุกข์เวลาที่จะไปทำงานก็ต้องรีบไปไปเช้ากลับเย็นเวลาที่ควรจะพักผ่อนก็ไม่ได้พักผ่อน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 ที่คำว่าสำคัญก็สำคัญกันตรงนี้มันมีความจำเป็นเวลาปล่วยไข้ไม่สบายแล้วก็ต้องใช้ทรัพย์สินเมื่อตายขึ้นมาก็ต้องใช้ทรัพย์สินจะติดต่อธุระการงาน ใ, นใดๆก็ต้องใช้ทรัพย์สินทรัพย์สินเป็เครื่องบีบบังคับก็จำที่จะต้องไปทำงาน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 อยู่ที่บ้านก็ดีแล้วอยู่ในสถานที่ทำงานก็ดีเราแน่ใจไหมไว่าจะไม่มีอันตรายคนที่รับใครเป็นราชการชั้นผู้ใหญ่ต้องตายในที่ทำงานก็มีถมไปใครการที่เดินทางไประหว่างทางต้องตายที่ในระหว่างทางก็มียิ่งไม่อย่างนั้กัะทบคุณภาพบาดเจ็บก็มีคนที่ไปทำไร่ท่านา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 ร่วมกันไม่แน่นักนี่ว่าจะมีอารมณ์เสมอกันดีไม่ดีก็มีอารมณ์ไม่ไม่สม่ำเสมอกันไปแข้งไปขากันแกล้งสิ่งอะไร ก, กันเป็นเพื่อทำให้กำลังใจของเราไม่มีความสุขรวมความสั้นๆว่าทรัพสมบัติทั้งหลายที่เราจะได้มานั้นมันได้มาด้วยอาการของความทุกข์ไม่ใช่ว่าได้มาด้วยอาการของความสุข ในเมื่อมันได้มันได้อาการของความทุกข์แล้วเราเคยคิดบ้างไหมว่าอยากให้ทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านี้มันไปตกอยู่กับของคนอื่นพูดกันแบบภาษาไทยชัดๆว่าเคยคิดบ้างหรือเปล่าว่าอยากให้ขโมยมาขโมยของของเราอยากให้ขโมยมาปล้นสะดมทรัพย์สินของเราอยากให้ถูกจับให้เขาเอาค่าถ่าย ให้ค่าถ่ายนี่แหมไร้ากาศมากว่า <c oughs> จนจับเอาค่าถ่ายนี่ <c oughs> ความจริงไม่ได้ถ่ายแต่ทรัพย์สินที่มีอยู่บางทีแกเรียกราคาสูงมากต้องถึงกับขายทรัพย์ขายสิงก็มีและในระยะมารเวลาไม่ช้านี้ก็ปรากฏว่ามีท่านหนึ่งที่ถูกจับเอาค่าถ่ายว่โจนจับเอาค่าถ่ายได้ค่าถ่ายแล้วก็ประหารชีวิตเสียก็มี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 ท่านไม่มีหมวกท่านไปขโมยหมวกของใครคนใดคนหนึ่งมาสลุกหนึ่งแล้วก็สวมใส่เขา้าเวลาท่านเดินไปก็ดียืนอยู่ก็ดีถ้ามาเอิญเห็นเจ้าของหมวกเขาเดินมาเขาจะจำหมวกเขาได้หรือไม่ได้เขายังไม่ทราบตอนนี้วัดใจของท่านว่าจะมีความรู้สึกยังไง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 อาการอย่างนี้ไม่เกิดขึ้นกับตัวเขาท่านเองลองวัดใจของท่านดูว่ากําลังใจของท่านยัมีความสุขหรือว่ามีความทุกข์ถ้าพูดกันอย่างไทยแท้ๆคาว่าไทยแท้แท้ในที่นี้ก็หมายถึงว่าไทยไม่ฝืนเออไม่ฝืนอารมณ์ใด้านของความดี ก็ต้องพูงพาการตอบว่าอาการอย่างนี้มันเป็นอาการของความทุกข์ไม่ใช่อาการของความสุขท่ถ้าเราไปคบกับคนประเภทนี้เข้าเขาพาเราไปลักเขาพาเราไปขโมยทรัพย์สทรัพย์สิ่งของทั้งหลายของชาวบ้านชาเมืองเราก็ไปน่งต้องมานั่งนอนบาดภาวา้ยวอยู่ตลอดเวลา คิดว่าโอนหนกรรมนี้เป็นก ร, รมหนักนอนก็หวาดจสดุง้งเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เดินผ่านบ้านก็ห ว, ว, วาดผวาคิดว่าจะมาจับตนเวลานอนอยู่ก็ระแวงระวังภยัยนอนหลับไม่สนิทไม่เหมือนกับคนสุจริตธรรมดา นี่ลักษณะของพันอย่างนีองค์สมเด็จตระาสมาสัมพิโทษเจ้ากล่าวว่าแปลาการที่ไม่ดีสร้างความเดือดร้อนสร้างความเป็นทุกข์และก็อีกราการหนึ่งทรัพย์สินทั้งหลายของเราที่หามันได้ทั้งหมดเราหามันได้โดยหยาดเหงเื่อแรงงานความจริงเราต้องการจะใช้ทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านั้นขอเราให้มีความสุข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 เขาก็ย่าบอกว่าคนประเภทนี้ทั้งหมดน่ะจะมีฐานะเ ท, าเท่าเทียมกันต่างคนต่างมีความสุขแต่ถ้าว่าท่านทั้งหลายจะลืมฝ่ายบริหารเหมือนได้เขาสร้างเขาได้ทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านั้นไปแล้วเขาก็ใช้ตามอธิยาัยแล้วก็ออกกฎให้ท่านทั้งหลายว่าทุกคนต้องปฏิบัติตามนี้ คำว่ากฎหมายแน่นอนไม่มีกฎหมายก็คือความพอใจเขาพอใจอย่างไงเขาก็ทำแบบนั้นเขาจะให้ท่านกินข้าววันละเหม่งกระป๋องนมท่านก็ต้องกินเท่านั้นอาหารที่ท่านจะบริโภคเขาจะจากัดให้บริโภคไม่เป็นไปตามใจเราชอบเราก็ต้องกินตามนั้นกี่การงานทุกอย่างที่จะต้องทำ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 เพราะว่ามันเป็นทัศนะของโจรที่ปล้นทรัพย์สินทั้งประเทศคนทั้งประเทศหาทรัพย์หาสินมาไม่มาได้แล้วแต่ก็ไม่มีสิทธิ์ที่ใช้ทรัพย์สินได้ตามอิสระภาพที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันเราจะต้องเอาทรัพย์สินทั้งหมดนี้นั้นไปให้กับเจ้านายผู้บังคับปัญชาคนทั้งประเทศหรือ ว, ว่าคนทั้งโลก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 แต่ถ้าว่าเราต้องมีการระทมทุกกินก็ไม่อิ่มนอนก็หลับไม่สนิทอาการทางกายป่วยไข้ไม่สบายก็พักผ่อนไม่ได้ต้องรอรับคําสั่งขงับผู้บังคับบัญชาถูกกักประเทศถูกกัก บ, บริเวณทุกอย่างจะไปเยี่ยมญาติบ้านโน้นก็ต้องลาจเจ้าลานายจะไปเวลาเท่าไหร่จะกลับเวลาเท่าไหร่ต้องบอกไม่มีอิสระภาพในปัจจุบัน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 อะไรก็ตามที่หามันได้ต้องเป็นของส่วนกลางทั้งหมดอาการประเภทนี้เคยปรากฏมาแล้วในสมัยอดีตนั <c oughs> ่นก็คือในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองแต่ความจริงยังไม่ถึงก็รวบรวมทรัพย์สินเป็นแต่เพียงว่าเวลานั้นคนในเมืองใหญ่ผูพ้พูดยังอยู่ในกรุงเทพ เวลานั่งเข้าสายก็ดีอะไรก็ดีเราก็ต้องมีบัตรปันส่วนแยกกินข้าวสักทีก็ต้องมีบัตรปันส่วนส่วนของเรามีเท่าไรมีสิทธิ์ซื้อได้เท่านั้นเพิงแค่นี้ละบรรดาท่านทั้งหลาย อ, อกระธมขมขืนกันเกือบตายเพราะว่าบางทีมีเข้าสายอยู่ยังไม่ถิงท่านานเด็กสมัยนี้อาจจะไม่รู้จักท่านนาน ก็จะบอกว่ามีข้าวสารในบ้านไม่ถึงไม่ถึงกิโลแต่คนในบ้านมีตั้งสิบคนกว่าไปซื้อข้าวสารจากร้านอาหารบ้านขายข้าวสารท่านเจ้าองร้านบอกว่าทางรัฐยังไม่ได้ส่งข้าวสารมาข้าวสารที่มีอยู่มันหมดเสียแล้วก็ใจหายวับมองดูไปในชีวิตอีกสิบชีวิตกว่ า, วาที่อยู่เบื้องหลัง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 สำหรับลักษณะของผ่านซึ่งเป็นคนมือไวถ้ามือไวเล็กมันก็เดือดร้อนเล็กมือไวปานกลางก็เดือดร้อนปานกลางถ้ามือไวใหญ่ก็เดือดร้อนใหญ่องค์สมเด็จพระจอมไตรให้พิจารณาว่าจงอยาคบกับคนผ่านลักษณะมือไวเล็กเป็นยังไง เมื่อไว้เล็กก็เรียกว่าลักเล็กขโมยน้อยลักขโมยของที่มีค่าไม่มากแล้วก็นําไปไม่มากเมื่อก็ตามนําไปไม่มากไอ้ของที่เราหามันได้โดยชอบทมหามันได้โดยอาชีวิตข้า้วแรกความยากความลําบากถ้าของเก่าๆมันหายไปหนึ่งชิ้นนนี้ก็ต้องหมายว่าความว่าของ ใหม่ๆมันจะต้องเกิดขึ้นมาแทนอย่างเรามีขันขันหนึ่งลูกราคาห้าบาทแต่ขันน้ําที่เรากําลังใช้อยู่นั้นมันเก่าเต็มทีแล้วถ้าจะไปขายราคาหนึ่งบาทชาวบ้านก็ไม่อยากจะซื้อแ้่บังเอิญขันลูกนั้นมันหายไปพมันก็หายเท่าราคาหนึ่งบาทถ้าเท่าราคาห้าบาทท่านี้เพราะอะไรเพราะขันเก่าหายไปเราต้องไปซื้อใหม่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 ทำให้โลกนี้ต้องหาความสุขม ไ, มไม่ได้โลกเต็มไปด้วยความทุกข์พระองค์จึงทรงแนะนําว่าจังจงอย่าคบคนผ่านประเภทมือไว้เป็นยังไงท่านทั้งหลายถ้าขมือไวเล็กเราก็เดือดร้อนเล็กเดือดร้อนเล็กก็เดือดร้อนใหญ่มันก็เดือดร้อนมือไวปานกลางถึงจะยกของใหญ่ออกไป ของที่มีค่าสูงเพชรดินเินดาเงินที่มีค่ามากยกหมดไปทั้งถุงเราก็มีความทุกข์หนักนี่ปัญกลงังเราต้องหาใหม่กว่าจะหามันได้บางทีต้องใช้เวลาเป็นปี <c oughs> ตัวาการสั่งสมทรัพย์สมบัติเงินด่างอย่างนี้จะเพิ่งมีขึ้นมันได้มาด้วยความแสนยากถ้าว่ามือนี่มือไวปัญกลงังถ้าเป็นมือวัยใหญ่ ก็หมายความว่าคนทั้งประเทศไทยทั้งประเทศหาทรัพย์สินมาได้สักเท่าไรก็ตามทีจะต้องเก็บไปไว้เป็นส่วนกลางแล้วส่วนกลางที่ไม่ได้หานั่นแหละจะเป็นพูดแจกจ่ายทรัพย์สินให้ตามสภาวะที่เราจะพึงได้ตอนนี้ก็ต้องหวนไปถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่ต้องซื้อของปันส่วน มีเงินซื้อยังหาซื้อในยากแต่หากว่าบาังเอิญจะมารอการของแจกของแจกนี่สมัยนั้นก็มีเหมือนกันแจกจอบแจกเสียมแจกอะไรต่อระแจกผ้าผ่อนท่อนสบายแต่ปรากฏว่าบัญชีที่แจกออกไปมีมากแต่ของมันไม่ขอมันไม่พอแต่ว่าปริมาณของที่รับแจกไม่เต็มตามจำนวนนั้น เวลานั้นถึงก็มีหนังสือพิมพ์หลายฉบับลงกล่าวข่าวว่าโงว่าบุคคลทั้งหลายบุคคลนั้นบุคคลนี้ขาแกนไกลแข็งกินเหล็กก็ได้กินหินก็ได้กินทรายก็ได้กินผ้าพ่อนท่อนสมัยก็ได้หมายความทัว่าโกงของแจกของแจกสมัยนั้นเรายังมีอิสรภาพเท่ากับสมัยนี้แต่ของแจกออกไปแต่ละทีมันไม่ครบจานวน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 วันหน้าถ้ามีโอกาสพบกันใหม่ข้อความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดท่ท่านทั้งหลายผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี